M'bath-neer. F'angka se โอ้ยทุกมื้อนี่นานพุทธศาสนาโกหลหลดอกพ่อเอ้ยคน ชุ้มพ่อตาแม่โซนคนนั้นกะเชียงทรัมชั่วมือนี่หลายแต่ผู้หลวงลำน่ะ ลืมของสินเอ้ยเสียทิ่มนะบ่ฮู้โอ้ยบ่อนได้ได้ M'ein d'aig tec no l'oy, ga m'agra mai li hei an. M'i d'au teiem, l'oï fà, vei ha, prung phà, B'en sứ sàn llot, yi'n, yi'n teiem, k'e'r โอ้ยจังว่าสุเจตค่ายขอบคายพี่วิ่ส่ำกับ ปั่นเจริญโอ้ยจังวะด้านนี้เอิ้นวัดทุธธาตุเจริญ พ่อเจ้าหัวหมูนั่นโอตั้งถ้าสิแตกถึกย่อมจมๆตี ปราเป็นมั่นบ่ตัดซื้อเพียง ห่วงเดณพุทธศาสตร์ มาโนไหนเอาอังฟังจนหูสิเต็กเพียงเซียงว่าเจ้าหมูค้นโอ้ยเย็ดจังได้เพียงค้นสิเมา เพียงที่หวั่นไหวน้อยโยมแม้ป่าตัวเดียวนับ พื้นคันคำขมกื้น โอ้ยตอนนี้สองแม่ลูกว่าเอ้ยอินสิลง ไหว้ทั้งความดีเลิกประหารเข็นขานัก หมายสิทำลายสิ้นผู้ทรงสิงตะครอบครูผู้ งานในตอนนั้นว่าแล้วออกจากโอ้ยมื้อนี้อ่า ลงไปหาแม่ออก 2 ศีกาผู้กล้าเก่งนักเลงพ่อผู้ร้ายอ่าแม่กับลูก <c oughs> เฮ็ดหยังน้อแม่อ๋อหวยห้อยผีปอบกูตื่นมืดอ้าวอีแม่ผีปอบมาแต่สายเจ้ามาดัดดินปานสิขัดแท้อีแม่อ้าวผีปอบตัวนั้น แต่กี้คือว่ามังมังมังมังมังข่อยสิจัดการเองพ่อมาเห็นจังซั่นจังซี่หน้าลาเขตเล็บหน้าลาพ่อปานพบตำรวจเดี๋ยว แม่มีจุดประสงค์หยังแท้เมื่อวานนี้กับพ่อมื้อก่อนนี่กับพ่อเว้ามื้อนี้ก็แผ่แว่ล่ะแม่นบ่มีวัดอยู่พ่อคือ อ้าวบ่เข้าใจจังซั่นแต่เข้าจังได๋อีกสิหาทางเกีบลูกเจ้ามันโตเจ้าดอกแม่ออกเอ้ยเฒ่าจันทิอันแหนแอบฮู้ซื่อทาง 神 ให้เจ้าคัดระเว��ойтиบาดศัท 踏ดพี่เชื้อ 195 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ที่ว่าเจ้าเห็นผ้านี่เนาะเฮ็ดบ่ดีบ่งามก็เออ ฉันกระแมนอยู่ไม่ออกถามกันเพื่อควรมเขาใจห้องจากสันดอกต้นไม่อยู่ในปาก็ไม่หลากไม่หลายต้องไม่ออกเอ้ยต้นไม่เห็ดแป้นเห็ดเฮียน เลυยเห็ดแป้นเห็นเฮียนเคี้ยงฝู นี่ก็มีเบาอืดเบาอใต้ไม่อยากเอ่อสันด surfing แต่ว่าต้นไม่ในปا นั่นคืนว่าให้เรียกเอา Sunday แบบiendeά ไม่ใช่มais bills underneg画 รelle says don't actually be terminated fんな beater meal attevs แต่วาแนวมื้อนี้ข่อยบ่ขอเว้าเขาเจ้ามากหลากหลายความดอกแม่ออกเอ้ยให้ข่อยถามเจ้าในเถาะถามหยัง คัณเจ้าวาทีใดทําสามคอยสิท้ายเจ้าซัล่าโอ้ยบ้อให้ด่อ คัณเศاؤหาเศาฮะพัยสิหาโซโยโซกิน โลกราณแตกเวื้นบืนๆๆย้วแส่เขากินหิมแห่ก็นกเขาสติอ้อีกบอมแมนจังตันถึงไม่ออกเออ ทางนี้ที่ซอยเหลือบ่ให้ทุกข์ยากปากหม่องอันใดจักอันจักอย่างเงินค้ำกําแก้วที่ไหลมาเททังในแม่ออกเอ้ยจ้างซะก็บ่เสือแม่นทางนี้ทุกข์ พระธรรมดาพระคู่พระมหาพระเจ้าคุณเจ้าป้ามังคละพระเมียนกันอะล่ะ หือจะไปหาว่าไว้หูหาขี้เพียดพ่อไปๆๆๆไปไปต้มทางอื่นพุ่นปายโอ้ยอีแม่เจ้าคือมาท่านคนแท้น้อข่อยสิ แม่กับลูกมันสมพ้อกันมันพ่อกอยจังได้ลงลายต้มแม่ออกเอ้ยแม่ออกแม่นมาอ้วยมาเอิ้น สิ่ clicattว่า zekerภารย์ นะ or อะไรภايกรijn ยِก mı? มกไม่จริงแล้วใช้มันโ Oriksi มิธิเกลาด��도 Nixon chiardove that ตนท่านก่อนต้นเยียนดอกแมอียสพี่นผูก้องทา เอ้ยจนว่าจุกตังค์อะมั่งเมื่อ ลงมาสอนตั้งแต่ต้นน่ะ โอ้ยประจันนั้นบ่ต้องสวยคอยเตือนโอ้ยกูนี่หมายสิเอ้ยพระ เจ้าเพียรลงคุณย่อม โอยตอนนี้กระเพทเพียงเป็นเอกองค์ นี่แน่นี่แน่ทุ่มหยาบกานาบ่ต้องอ่านทางโอ้ยสู่มันคงบ่สัดเอ้ยตนยากไว้ให้ไผปอปีนกินคอผ้า ตอนแล้วเฮ็ดหน้างามต่ำคื้มหินทาบ่หัวซา โอ้ยจังว่าจากนี้นั่นกูสิสาบโอ้ยเอาปากอย่าง โอ้ยถึงหม่องกินหม่องขี้ไก่อยู่โอ้ยคันเขาเอ้ยอย่าดิ้นดันเอามีด 3 ที่ปากคันจันทร์ติเอ้ยจง โลูกรสูกับับบ่อมมเป็นหอยกลับหอยแคในขแกงเขาหินตัวจะคนหุนไตโอ๊ยอยาากค้องสูกูสิไหัยเป็นหอยหน้านากําเออสูมันทุกมีก่ําเกตทว่าโพตบสินเอืออ Và lèo, oh'm, โอ้ยว่าแล้วอุ่มอ่านเล่าเว้ามุนพระเวทของคังเป่าไปยังจันทร์ทีทำอองลาดีน้อยเลยเป็นหอยเสียเสียงนะดับคันมอลั่นนาตกำหักน้ำบ่แล เผัลไต่กรรมนั่นดอกน้ําน่ะสาร ก็มีนักการละบทนี้แลนี่อวสานบทข้อโหย โอ้ยยายทะลาสะเดิกจานบาทอินสาบเป็นหอยลูกไปล้อยในน่อยน่อยชุมว่าลงทือลาบื้นสาล้นวนเก้าเที่ยวหาผู้เป็นลูกทวกสาปลูกต้ำต่อยเป็นหอยฝ่าว่าโยวังนำ N hoài ngoại chuột đ mang, aueu angkarang su ang na wa sia sa wa o ay dok ma lod bob mi m cho i e la jang wa ke ndok ha kho e la bò i n โอ้ยปาจาจากมือแลติ๋นมีแต่ ขอบ่าฟังคำสอนเทศนา <gives> <agna> เนยหลาดน้องโอ้ยเพิ่นว่าปุ้นบ่กล้าหน้าอ้างสายตามัวมืดแม่นที่สูงแว่นกู้ของล้วนกะบ่ควรหน้าบุญบ่สมที่ที่อ้วนค่าที่จ่อยบ่สมผิง si m'i dò ja de kà bò jín nè pí uàn là Buôn quang toàn bò sùm quay là Ngúa quay kà khào nhoan là Ui buôn bò sùm đò khóm tròn Sèm si càng kà bò jín làm เอ้ากำตั้งตอนที่เพิ่นนี้ โอ้อนาถผลกรรมน้ําตาน้องจองแล้วปาน <tries> อึ่งโอ้ยดอกพี่น้องพ่อแลแม่ผู้ฟังก่อ อยากหมู่สร้างค่าเอ้าฉันได้ลบ a sa canh-do-quam-nhu-ang-la u an tan de l'anjilka vilà l'a ha hòi tamalec hòa phóng thù l'au đọc cao khám úi múa cao vác đọc tăng tham cà hít nấm bó tà hê chỗ này bó át vườn l'a เสียนลาตามโอ้ยบ่อากพื้นแห้งเหี่ยวอยู่ Úi, <cười> <cười> hàn chà kha chà cuốn, hàn chà cuồng tham châu, ca lưới sao đọc ngọm ngọt. Úi, tu án và phó đọc miê cao thuốc, tu canh bọc ni bọt. Mua bàm pín tòa mò tòa mò kà chúm ngam nhò nhé lai Vác tan ha-đò quang kòi nà Nang na, hòi ao Pạc Nhân la Ò si ang ben kam tang na tang อ้าวเนี่ยล่ะนางห้อยเท้าโชมตําแนวติ๊ดอ้าวละปินจั่นผู้ที่ติ๊ดบ่เว้านําเท้าแม่ใหญ่ ถ้าฉันที่พอดีเจ้าที่ป่อยลาดน้อยบอบเป็นอย่างน่าเตียงสะต่างอย่าลืมแทมข้ารูดยุนมอตั้นใดล่าท้ายที่เอาดอกมาให้ขาเลวไว้ Sèng tà văn căm kòi, si uai tiə wə kɔn Vainikon, khore chüin-chuan, P'o me'a, P'i Nong, M'a, f'uang le, W'a, t'o, P'i Nong, N'ang, hòi, khuong n'i, G'a, d'ay, J'b'ma, pha, k'a, a-wa-san, D'ok, me'a, จะหองหานศรัทธาก็ว่าแม่นสมควรแล้วโอ้ยนั่งอยู่ นั่งอยู่อย่างพา บางคนมักผู้เสียงน้อยบางคนเชียร์ผู้เสียงใหญ่บางคนมัก คันเทิงยมก็ว่าหูห้องลำคาน โอ้ยสมพาใจกล้าอาตมานั้นอยากมีคอจักร้อยโอ้ยหาก Chí mà, càn của ai, càn vai sang, Hay lé lao, là, oh, là noi. Ôi, oi, oi, ôi, ôi, no. Ôi, bàt ni năn, kia sa na, tăng té tôn ว่าเมื่อยเขียนขาดอกแม่เอ้ยทั้งสถาทั้งภาพกะออนแออิสลามสุมเวลากะพ่อมวลควรการวาสาเทศเหตรและผลพ่อสิหูตำนวนเขาเหลืองมิทานสวนที่ได้เอาไวในหัวใจอย่าลืมลายดอกพ่อเอ้ย ส่วนที่มันที่โอ้ยส่วนบ่ดีอาตมา ที่เอากลับเพื่อนไปขอรับไว้ปุงไหมให้หมอสมดอกแม่เออตอนหิลาคุณโย้มเเกสนาว่าจันแล้วบอกมีแนวอันใดแล้วว่า จำพ่อในเก้าเจ้ากันยมทานสัมบาดแม่งโอ้ยอิชิตตังปฏิตังเพื่อว่าความอยากนรายโอ้ยพันลาจารย์ สุมหังคิบปะเมวาสมิชชันตัวคู่สูขนให้สมแม่งสัมเพศปุเรนตุสังกับป้านมนุนัย วันนี้เมื่อโอ้ยมณีโชติรัโสยทา ให้เจ้าเป็นดั่งแก้วมณีโชติสดใสคอย เพียงไว้ก่อนนั่นดอกนาพร้อมแม้อยู่ได้โอ้ยน้อเอวังก็